จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุธที่2 1พฤภาคมพุทธศักรา2557เป็นวันพระวันธรรมมรดันะวันฝังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง อีกวันหนึ่งเพราะการฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองกาเลนะธรรมัณสาวนางเอตัมมักาลุตตมั ง, มมงเป็นมงคลนั้นก็เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน และสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นจะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและทำให้จิตใจมีความผ่องใสมีความสดนี่คือประโยชน์ ที่จะเึงได้รับจากการฟังธรรมการที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบเรียกว่าศสียงด้วยใจที่สงบเรียกว่าสมาธิถ้ากายวาจาใจไม่สงบการฟังธรรมก็จะไม่ได้รับผลเพราะ สิ่งที่ได้ยินได้ฟังจะไม่ได้เข้าไปสู่ภายในใจดังนั้นเวลาที่มีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมจึงควรที่จะมีสียงมีสมาธิกันก็คือร่างกายก็ควรจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรขยับะเยื่นไม่ควรจะทำอะไรทัางนั้นวาจาก็ควรที่จะ ปิดปากเอาไว้ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็คือความคิดปรุงแต่งก็ควรที่จะหยุดคิดปรุงแต่งให้จดจ่อฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ใจด้วยสติควบคุมใจควบคุมกายวาจา ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์พอเป็นการฟังแบบลิ้นกับแกง mm hmm. ถ้าฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบ ก, ก็จะฟังแบบทับพีในหม้อแกงทับพีในหม้อแกงต่อให้อยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็จะไม่รู้ว่า แกงนั้นเป็นรถเป็นแกงชนิดใดแต่ถ้าลิ้นได้สัมผัสกับลถของแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดการฟังธรรมก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงเพราะจะได้รู้สิ่งธรรมะที่เข้ามาสู่ใจถ้ารู้ก็จะได้เกิด เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสามารถที่จะกำจัดความสงสัยให้หายไปได้สามารถทำใจให้สงบได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมตามการตามเวลานั้นอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เช่นทุกๆวันพระจะมีการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ควรฟังทุกวันสมัยนี้เราทำได้เพราะเรามีสื่อธรรมะหลายรูปแบบด้วยกันมีแผ่นซีดีให้เราไปเปิดฟังมีหนังสือธรรมะให้เราเปิดอ่านมีการถ่ายทอดผ่านทาง โทรทัศน์ทางวิทยุเสียงธรรมต่างๆฟังมากเท่าไหร่ยิ่งดีและถ้าเป็นไปได้ถ้าฟังได้ทั้งวันเลยยิ่งดีอยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระ อ, อนอนท์ให้ฟังธรรมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คือให้รำลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ความตายนี่แหละเป็นธรรมเพราะเป็นความจริงเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแต่พวกเราทุกคนการตายนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะได้เดินทางออกจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมสัมภาระเตรียมเสเปียงไม่เตรียมพา ส, สปอร์ตไม่เตรียมวีซ่า พอถึงเวลาจะไปขึ้นเครื่องเขาก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าไม่มีตัว๋วไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซา่าถ้าขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ต้องเดินไปนี่คือเรื่องของการเตรียมตัวไว้เพราะพวกเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องออกเดินทางกันไปไปสู่พบใหม่ถ้าเราเตรียมตัว เตรียมสัมภาระเตรียมสเสบียงเตรียมตัว๋วเตรียมวีซา่าเตรียมพา ส, สปอร์ตเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้เราก็จะขึ้นเครื่องได้ถ้าเราไม่ได้เตรียมเราก็ต้องเดินไปเดินไปก็ไปไม่ได้ไกลและไม่ได้ที่ที่น่าไปไม่เหมือนกับบินไปบินไปแล้ว เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนเราก็ไปได้การเตรียมตัวนี้ทำอย่างไรก็คือเตรียมสัเวียมที่พุทธเจ้าสงสอนให้เราหมั่นเตรียมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะถ้าเราไม่เรานึกถึงความตายเราจะลืมเราก็จะมามา าแต่สิ่งที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เช่นเราก็จะมามัวยุ่งกับการหาลากยศสารเสรือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกากันซึ่งไม่ใช่เป็นสเสบียงไม่ใช่เป็นอาหารไม่ใช่เป็นตัว๋วเครื่องบินไม่ใช่เป็นพาสปอร์ตไม่ใช่เป็นวีซา่า ไม่ใช่เป็นเงินทองที่เราจะเอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าเรามัวแต่หาลาบยศสระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเราก็จะลืมหาสเสบียงหาทานหาสิลหาสมาธิหาปัญญากันพอเราไม่มีทานไม่มีสีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราก็จะขึ้นเครื่องไม่ได้เราก็จะไปสู่ที่เราไม่อยากจะไปกันไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณบ้างไปติดคุกติดตาราในในโลกของโลกทิพย์บ้างเพราะผู้ที่ไม่ได้รักษาศีนั้นถ้าตายไปจะต้องไปเกิดในอบายอบายก็คือที่ กักขังพวกที่ทำผิดต่างๆนั่นเองพวกที่ทำบาเช่นค่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเวลาตายไปจะต้องถูกไปจับกักขังถูกไปจับไปลงโทษในคุกตารางของโลกทิพย์แต่ถ้ารักษาศีลได้ ตายไปก็ไม่ต้องไปติดตันรายไม่ต้องไปรับโทษในอบาลดังนั้นเราอย่าลืมสิ่งที่เราควรจะทำกันการที่จะทำให้เราไม่ลืมก็คือเราต้องฟังธรรมคือฟังความจริงอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา เราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดผาจากของรัฐของเจริญนใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่คือธรรมะที่เราควรจะฟังอยู่เรื่อยๆฟังทุกลมหายใจเข้าออกได้ก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมสัมภาระเตรียมหนังสือเดินทาง เตรียมอะไรต่างๆที่จะได้พาให้เราไปสู่โลกทิพย์ชั้นสูงคือสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานเกิดจากการที่เราหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องเดินเข้าสู่ความตาย ความตายของพวกเราก็คือการออกจากร่างนี้ไปออกจากร่างกายนี้ไปสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือทานสีนสติสมาธิและปัญญาเราต้องพยายามสะสมทานสีนสติสมาธิปัญญาไว้มากๆเพราะถ้าเรามีก็เท่ากับเรา มีตั๋วเดินทางมีวีซ่ามีหนังสือเดินทางมีเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปท่องในโลกทิพย์อย่างมีความสุขพักอยู่ตามโรงแรมห้าดาวไม่ต้องไปเป็นขอทานขอส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่แลคืออนิสงส ความเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราไม่ประมาทจะทำให้เราทำหน้าที่ของเราคือเตรียมเสบียงเตรียมปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องใช้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตำแหน่งต่างๆความสัระเสริญยอ่อ ความสุขที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะเราไม่มีร่างกายที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองพอเราไม่มีร่างกายสิ่งที่เราต้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็คือทานศีลสมาสติสมาธิและปัญญา<ม>พระพุทธเจ้าจึงต้องคอยเตือนเราคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเ<ม>พราะถ้าประมาทแล้วก็จะไม่ขวนขวายไม่รีบร้อนท สิ่งที่ควรจะทำสมมติว่าถ้าญาติโยมวันนี้ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรครารักษาไม่หายจะต้องตายภายในเจ็ดวันสิบวันญาติโยมจะทำอะไรยังจะไปหาทรัพย์หาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หรือเปล่า หรือตอนนี้จะรีบทำบุญทำทานจะรีบรักษาศีลจะรีบเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญามีมาเกิดขึ้นมาแล้วเหตุการณ์เหล่านี้คนที่เวลารู้ว่าจะต้องตายนี้เขาทิ้งหมดเลยเขาไม่เอาแล้วเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทีนี้เขาจะไปวัดนะจะไปทาบุญจะไปรักษาศีลจะไปเจริญสติจะไปนั่งสมาธิจะไปเจริญปัญญาเพราะเขาเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นประโยชน์กับเขาเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาตายไปแล้วนี่แหละเราถึงต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราสมมุติว่าวันนี้เรา อ, อาจจะเป็นวันตายของเราได้เราจะไม่อยากจะได้ลาบยศสารเสริญจะไม่อยากได้รูปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วลาบยศสารเสริญสุขนี้จะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลย สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือทานศีล ส, สติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นอย่างนั้นขอให้เราฟังทำอยู่ด้เรื่อยก็คือเตือนใจเราอยู่ด้เรื่อยว่าเราต้องตายไม่ช้าก็เร็ว อ, อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรับประกันได้บริษัทประกันชีวิตนี้เขาไม่ได้ประกันชีวิต แต่เขาประกันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เวลาคนที่มีชีวิตอยู่ตายไปลูกหลานสามบุตรทิดาหรือภรรยาจะได้รับประกันในทรัพย์สินของผู้ตายคือจะได้มีเงินทองอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขแต่บริษัทประกันชีวิตนี้เขา ประกันชีวิตของใครไม่ได้แม้แต่ตัวของเขาเองเขายังประกันชีวิตของเขาไม่ได้เลยแล้วเขาจะมารับประกันชีวิตของคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการคิดว่าเราสามารถซื้อประกันชีวิตแล้วเราจะอยู่ไปได้ถึงร้อยปีอย่างนี้ไม่เป็ น, ปนไปไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ รีบเปรียงสบเบีย e ต่างๆไว้สำหรับการเดินทางจะดีกว่าพอถึงเวลาต้องออกเดินทางก็หิ้วกระเป๋าไปได้เลยหิ้วทานไปหิว้วศีลไปหิ้วสติไปหิ้วสมาธิไปหิ้วปัญญาไปพอมีสิ่งเหล่านี้ไปกับเราเราก็จะไปแบบมหาเศรษฐีไปพักตามโรงแรมห้าดาว อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูได้ฟังได้เพราะเรามีปัจจัยมีสเสบีย์มีทรัพย์ภายในติดไปกับเรานั่นเองทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์แท้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ทรัพย์ภายนอกนี้เป็นของเราชั่วกราวเป็นสมบัติผัดกันชม พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไปกลายเป็นของสามีไปกลายเป็นของภรรยาไปกลายเป็นของลูกไปแต่ทรัพย์ภายในนี้ไม่เป็นของใครเป็นของเราเพียงอย่างเดียวทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลนี่เองบุญกุศลก็คือความสุขใจความอิ่มใจความสบาย อ, อกสบายใจ ที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาสีเกิดจากการเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาพราะจะทําให้ใจของเรานั้นมีความสุขมีความสบายเราจึงควรที่จะเตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่เรื่อยๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราอาจจะตายภายในวันนี้ก็ได้พราคนที่ตายในวันนี้มีอยู่มากไม่เชื่อลองไปที่โรงพยาบาลต่างๆดูลองโทรไปถามเขาเลยว่าวันนี้มีคนตายไหมเขารับประกรันได้เลยว่ามีแล้วมีแต่เฉพาะคนแก่หรือเปล่ามีแต่เฉพาะคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าไม่ไ ม, ไม่มีทุกแบบ คนหนุ่มก็มีคนสาวก็มีคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีคนที่เป็นเด็กเป็นเล็กก็มีคนแก่ก็มีคนเจ็บก็มีมีทุกรูปแบบความตายไม่ได้เกิดจากคนแก่กับคนเจ็บเท่านั้นความตายไม่เกิดกับคนทุกๆคนคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายพอวันดีคืนดีก็ตายขึ้นไปทันที นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆแสดงธรรมให้กับใจเราเป็นคนแสดงเองเลยไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาแสดงธรรมให้กับเราเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสอนตัวเราเองนี่แหะดีที่สุดเพราะว่าเมื่อสอนแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติคือ สะสมทรัพย์ภายในให้มีไว้มากๆเพราะทรัพย์ภายในนี้จะเป็นที่พึ่งของใจได้จะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจสบายจะทำให้ใจอิ่มไม่หิวไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพยายามฟังอยู่เรื่อยๆก็คือมรณานุสติ คือการเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดถ้าถึงเวลาไม่หายใจก็ก็ถึงเป็นก็ถึงเวลาตายความตายอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายความตายนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราอย่าประมาทเราเรีบจะสมสเสบียงสะสมทรัพ์ภายในไว้ให้มากมากพอถึงเวลาตายเราจะได้ไปอย่างสบายไปไปสู่สุคติไปสู่สุคโตอย่างที่พระมุทธเจ้า และพระอาลายตระสาวกทั้งหลายท่านไปกันตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเตรียมสะสมสะเสบียงไว้อย่างเต็มที่ท่านทําทานอย่างเต็มที่มีเงินทองเท่าไหร่นางน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยแล้วก็มารักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ทําบาปทํากรรมแล้วก็มาเจริญสติคอยควบคุมความคิด ไม่ให้คิดฟุง้งซ่านให้หยุดคิดให้ให้ใจสงบเป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาให้ตัดให้ทำลายเหตุตา่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจก็คือตัณหาความอยากนี่เอง กามตัณหาความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือสิ่งที่จะต้องทําลายให้ได้เพราะถ้าเวลา เกิดความอยากเหล่านี้แล้วใจจะวุ่นขึ้นมาใจจะดิ้นใจจะไม่สงบใจจะวุ่นวายใจจะวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นบัวแต่ถ้ามีปัญญาสอนใจว่าเป็นความทุกข์อยากได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกข์สิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มานั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เวลาได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียอกเสียใจสู้อย่าเอามาดีกว่าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรจะเสียเมื่อไม่มีอะไรจะเสียก็จะไม่มีความเสียอกเสียใจสอนใจอย่างนี้แล้วใจก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากแล้วก็จะสบายแทนที่จะหิวกับอิ่ม แทนที่จะเป็นขอทานกับเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาาะมีทรัพย์ภายในมีความสงบเป็นทรัพย์ความสงบนี่แหละที่ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจหิวทาให้ใจต้องการไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ เพราะความอยากไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่ได้มาแต่กับทำให้เกิดมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอนึกถึงความตายความอยากนี้จะหดเลยเพราะความอยากนี้กลัวความตายมากผู้ที่จะฆ่าความอยากได้ก็คือความตายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่อยากได้อะไร จะอยากแต่ทำบุญทำทานรักษาศี่งเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นนี่แหละคือการเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะถ้าเรามีทรัพย์ภายในแล้วก็เท่ากับเราเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ก็คือความเป็นสิริมงคล น, นั่นเอง มหาเศรษฐีต้องเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือมหาเศรษฐีภายในภายในใจเพราะภายในใจทรัพย์ภายในใจไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปมหาเศรษฐีภายนอกนี้มีวันหมดตายไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดจึงขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ได้เรื่อยๆ อย่าฟังแต่เฉพาะวันพระเพียงวันเดียวตอนที่เริ่มตอนนี้ก็ฟังวันพระไปก่อนแล้วพอฟังแล้วเห็นคุณเห็นประโยชน์ก็ฟังบ่อยขึ้นฟังทุกวันฟังทุกวันได้แล้วก็ฟังทั้งวันเตินใจอยู่เรื่อยๆถึงความตายแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ประมาทจะไม่นอนใจจะรีบสะสมทรัพย์ภายใน พอสะสมไปแล้วไม่นานก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงขึ้นมานี่แหละเรียกว่ามงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามกาลตามเวลากาเลนะ่นธรรมะม ส, สวนังเอตัมมังกาลมุตตะังการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย ดละบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขกับระโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs>